แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การปฏิบัติแต่วันนี้ตมาขอบรรยายเพียงแค่อนุสติหกนี้ในเทวตานุสตินี้เป็นอนุสติสุดท้ายในฉะนุสติเพราะว่าบางสูตรนั้นท่านจะแสดงไว้าเพียงหกข้อเท่านั้นไม่เต็มสิบแต่ว่าบางสูตรก็แสดงไว้ 10. สิบสำหรับในหกข้อเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกันอย่างพุทธานุสติ ธรรมานุสติสังขานุสติแล้วก็ศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมีลักษณะคล้ายคลึงกันในด้านของการปฏิบัติเพื่อมุ่งไปสู่ผลคือความปีติตรามโมทความสุขและความมั่นคงของจิตในขั้นอุปจารสมาธิแต่ว่าอนุสติข้ออื่นเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ยากขึ้นไปแต่ก็ได้ให้คติแก่เราอย่างมาก ควรที่เราจะได้ระลึกถึงอีกเช่นเดียวกันวันนี้ก็ให้ระลึกถึงเพียงหกข้อนี้การบรรยายในในเทวตานุสตินี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ในวิสุทธิมาร์ครท่านก็ว่าไว้สั้นๆแต่ว่าหลักฐานที่มาที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของเทวดานี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่สนใจก็ไปดูในมหานามสูตรแล้วก็ในเคตสูตร ในสัมภาโทการสูตรอุโบสถสูตรและก็เอกาทศกนิบาศตลอดจนในสังยุตติกายสขารถวัตท่านทั้งหลายก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเทวดาเนี่ยมากทั้งในคำภีขุทกนิกายนั้นท่านก็ได้แสดงถึงเรื่องเทวดาไว้หลายเรื่องซึ่งก็ควรแก่การศึกษา แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะมุ่งปฏิบัติธรรมเพื่อไปเกิดเป็นเทวดาเท่านั้นเพราะแม้แต่ในเทวตานุสตินี้ก็มุ่งที่จะไปสู่นิพพานมุ่งไปสู่นิพพานนะไม่ใช่มุ่งไปสู่แค่เทวดาแต่เราเอาเทวดาเนี่ยมาเป็นพยานเพราะเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วเราจะไปพิจารณ า, า, านามรูปก็ย่อมจะเห็นนามรูปเนี่ยได้ชัดเจนขึ้น เมื่อสมาธิเกิดแล้วก็วควรจะไปพิจารณานามรูปให้เห็นสภาพของทุกข์ว่านามรูปเนี่ยเป็นทุกข์อย่างไรทุกข์ของนามรูปนั้นเกิดมาจากอะไรเราจะดับทุกข์เนี่ยได้อย่างไรมีทางปฏิบัติอย่างไรอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดากันเพราะว่าเทวดาก็ยังไม่พ้นทุกข์ยังมีเวลาหมดบุญเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละ เมื่อหมดบุญแล้วก็ต้องจุติมนุษย์นี้หมดบุญแล้วก็ต้องตายเพราะฉะนั้นก็อย่าติดอยู่เพียงแค่นี้เพียงแค่เอาเป็นพยานเป็นแนวทางหรือเป็นสะพานที่จะก้าวไปสู่โลกุตตรธรรมเท่านั้นการบรรยายในอนุสติข้อนี้วันนี้ก็ข อ, อยุติดตงแต่เพียงนี้ขอขอบใจทุกท่านที่สละเวลามาการบรรยายวิสุทธิมรรคในวันนี้จะได้ บรรยายถึงมรณานุสติต้องขออภัยที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาบรรยายเพราะว่าเนื่องจากติธุรักษทางวิทยาลัยไม่ทำงานไม่เสร็จก็เลยเข้ามาไม่ได้ในวันอาทิตย์นี้จะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอนุสติข้อนี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจ เพราะว่าอนุสติในข้อก่อนๆเราได้ศึกษา <c oughs> จบไปแล้วหหกข้อเดยกันถึงวิธีเจริญอนุสติอนุสติข้อที่เจ็ดในอนุสติสิบประการนั้นก็คือมรนาอ น, นุสติได้แก่การใช้สติระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติเพื่อให้เกิดสมาธิกิจ อีกวิธีหนึ่งด้วยการให้เรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ซึ่งอนุสติข้อนี้ <c oughs> มีความสำคัญในด้านการปฏิบัติมากนอกเหนือไปจากที่จะให้สำเร็จอัปปนาสมาธิแล้วยังจะเป็นปัจจัยให้บังเกิดความสำเร็จในด้านสื่นอีกหลายด้านด้วยกัน แต่ทั้งๆที่มีความสำคัญมากอยู่ก็มีปัญหาที่เราจะต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในข้อนี้เพราะสาธุชนหลายๆท่านใดกันนั้น <c oughs> ย่อมมีสัญชาตญาณอยู่อย่างหนึ่งสัญชาตญาณดังกล่าวนั้นก็คือการกลัวตายทุกคนกลัวความตายพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่า ชราปีตุกขังอมรณะปีตุกขังความตายเป็นทุกข์ความตายนั้นเป็นทุกข์อย่างหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกรูปทุกนามหรือสัตว์ทุกจําพวกจึงมีความกลัวตายทั้งนั้นถ้าจะถามว่าความตายเป็นความทุกข์อย่างไรเพราะในปัจจุบันนี้เท่าที่เราได้ พบข้อเท็จจริงอยู่ส่วนมากคนที่มีความทุกข์มากๆมักจะบ่นว่าอยากตายไม่ว่าจะเกิดความทุกข์ด้านใดด้า น, า น, านหนึ่งขึ้นมาก็บ่นว่าแหมอยากตายเร็วๆเพราะว่าชีวิตอยู่ไปก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อชีวิตยังไม่ถึงความตายหรือไม่ถึงการที่จะตายก็หาวิธีที่จะทำให้ตัวเองตายจึงเกิดอัตวินิบาตกรรมขึ้นบ่อย บางทีก็ต้องกระโดดน้ำตายผูกคอตายกินยาตายยิงตัวตายหรือกระโดดให้รถไฟทับตายอะไรทานองเนี้ซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆว่าบุคคลที่ฆ่าตัวตายนี้ส่วนมากทนต่อความทุกข์ในโลกมนุษย์นี้ไม่ได้หรือทนต่อความคับแค้นใจไม่ได้ก็ต้องหาทางออกด้วยความตาย เพราะฉะนั้นจึงมีปัญหาที่เราจะต้องศึกษากันก่อนว่าทำไมพระพุทธองค์จึงตรัสว่าความตายเป็นทุกข์เป็นทุกข์ตรงที่ว่าก่อนจะตายมันเจ็บปวดหรือว่าเมื่อตายไปแล้วร่างกายของเราจะต้องถูกเผาถูกวังเป็นความทุกข์อันหนึ่งซึ่งบางคนถึงกับสั่งลูกสั่งหลานไว้ บอกตายแล้วอย่าเอาศพพ่อศพแม่ไปเผาเลยเพราะว่ามันร้อนเหลือเกินไฟร้อนมากเวลาไปเผาศพเราก็จะเห็นว่าไฟมันลุกท่วมรู้สึกว่าคนตายเนี่ยจะร้อนบางคนเพิ่งกับสั่งว่าเอาไปฝังเถอะบางคนก็สั่งบอกว่าอย่าไปฝังเลยเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินหายใจไม่ออกเมื่อตายแล้วก็เผาเผาไปซสเถอะอย่างนี้ก็มีเลยไม่รู้ว่า จะปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะถูกเพราะว่าอุปาทานของคนนั้นยังยึดมั่นในความเป็นอัตตาตัวตนนี่ ย, ยังมีอยู่ถือว่าความตายนั้นก็ยังไม่ใช่ตายที่แท้จริงยังถือว่าซากศพที่เหลืออยู่ยังเสวยความสุขความทุกข์ได้อะไรทานองนี้จึงได้สั่งลูกสั่งหลานไว้ให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่พ่อสั่งบางคนก็ให้เก็บเอาไว้ อะไรเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกันในอัตถกาถาท่านอธิบายว่าที่ว่าความตายเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าผู้ตายนั้นจะต้องเจ็บปวดหรือเหมือนกับใครมากระชากเอาดวงใจเราหลุดไปอะไรทำนองนั้นเพราะว่าความทุกข์อย่างเนี้เป็นความทุกข์ที่ ทุกคนจะพบกันเพียงครั้งเดียวในโลกมนุษย์นี้แล้วก็จะพบกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะจากโลกมนุษย์ไปส่วนความทุกข์ในด้านอื่นๆเนี่ยเราศึกษากันได้ง่ายเพราะว่าเข้าใจได้ง่ายอย่างที่ท่านตรัสว่าความแก่เป็นทุกข์ท่านทั้งหลายที่กําลังแก่อยู่ก็คงจะทราบว่าความแก่นั้นเป็นทุกข์อย่างไรหรือความพัดทราจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ ผู้ที่ประสบต่อความทัดาคก็ย่อมจะทราบว่าเป็นทุกข์อย่างไรแต่เรื่องความตายเป็นทุกข์เนี่ยเราไม่ทราบเพราะจะทราบอีกทีหนึ่งก็รู้ได้เฉพาะตัวผู้ตายเท่านั้นตายแล้วก็มาบอกเราไม่ได้ว่าเป็นทุกข์อย่างไรผลสุดท้ายเราก็มืดมนอยู่เพราะความทุกข์เช่นนี้เราจะพบกันเพียงครั้งเดียวก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปคําว่าความตายเป็นทุกข์ ท่านจึงให้ความเข้าใจไว้ว่าบุคคลที่จะตายเนี่ยมีอยู่สองประเภทคนประเภทหนึ่งคือคนที่ทำกรรมชั่วไว้คนอีกประเภทหนึ่งคือคนที่ทำกรรมดีไว้คนที่ทำกรรมชั่วไว้เมื่อรู้ตัวว่าจะตายก็รู้สึกว่าเป็นทุกข์ที่เป็นทุกข์เนี่ยคือเป็นทุกข์ว่าตัวเองจะต้องไปเสวยวิบากคือผลแห่งกรรมชั่วอย่างแสนสาหัสเป็นทุกข์ว่าตัวเองจะต้องตกนรก หรือจะต้องเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันจะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นมนุษย์ก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการไปเกิดเพราะว่าตัวเองประกอบแต่กรรมชั่วตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความไม่มั่นใจว่าตนเองได้ประกอบกรรมดีไว้ในโลกมนุษย์นี้จึงทําให้คนที่ทํากรรมชั่วเนี่ยเกิดความทุกข์อย่างแสนสาหัสเพราะฉะนั้นท่าทั้งหลายจะสังเกตได้จากบุคคลที่ประกอบกรรมชั่วเป็นอาจินนกรรม เช่นอย่างผู้ที่ฆ่าสัตว์อยู่เสมอทุกๆวันในด้านของอาชีพหรือบุคคลที่ประกอบกรรมชั่วอยู่เสมอมาเวลาใกล้จะตายนั้นบุคคลประเภทนี้จะมีความทุกข์ทรมานที่สุดจะกระสับกระส่ายวุ่นวายใจหาความสงบไม่ได้เพราะว่าภาพนิมิตต่างๆนี่จะมาหลอนหลอกอยู่ตลอดเวลานี้จึงเศร้าหมองตลอดเวลาหาความสุขไม่ได้ เมื่อจิตเศร้าหมองเช่นนี้พอจิตดับก็ย่อมจะไปสู่ทุกขติคือไปสู่คติที่ไม่ดีแน่เพราะว่าจิตใจที่ก่อนจะตายนั้นมีแต่ความหมุ่นหมองมีแต่ความวุ่นวายใจเดียบุคคลประเภทเนี้เป็นทุกข์เพราะว่าตัวเองจะต้องไปเสบยวิบากกรรมที่ไม่ดีในสัมภาระภพส่วนคนที่ประกอบกรรมดีแต่ตัดความอาลัยอาวรณ์ไม่ได้ บุคคลประเภทนี้ก็เป็นทุกข์อีกเพราะว่าคนดีบางคนตัดความอาลัยอาวรณ์ไม่ได้เช่นความอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์สมบัติในลูกหลานบุตรพาสงสาคนาญาติบริวารต่างๆที่เราได้พบกันในโลกปัจจุบันนี้เมื่อรู้ตัวว่าจะตายก็รู้ทันทีว่าความตายเนี่ยคือความพัดพลากสามีพัญญาต้องพัดพลากจากกัน พ่อแม่ต้องพัดพรากกับลูกพี่น้องต้องพัดพรากจากกันหรือญาติมิตรเนี่ยต้องพัดพรากจากกันแต่ในเมื่อเราตัดความอาลัยอาวรณ์ไม่ได้อย่างนี้พอรู้ตัวว่าจะต้องพัดพรากจากกันโดยที่ไม่มีวันจะมาพบกันอีกก็เกิดความทุกข์ขึ้นบุคคลประเภทเนี้จึงตรัวตายที่สุดเพราะว่าตัดความอาลัยอาวรณ์ไม่ได้นี่เป็นความทุกข์ของคนดีที่ยังมีความอาลัยอาวรณ์อยู่ ฉะนั้นปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าในระหว่างคนชั่วกับคนดีที่จะต้องประสบกับความตายทั้งสองคนอย่างนี้คนไหนจะเป็นทุกข์มากกว่ากันถ้าพูดถึงทุกข์ในปัจจุบันแล้วดูเหมือนจะพอๆกันเพราะว่าคนที่ทำกรรมชั่วก็จะต้องเกิดความวุ่นวายใจเกิดวิปัิสานว่าตัวเองจะต้องไปเสบยวิบากกรรมที่มีดี คนดีก็เกิดวิปฏิสารว่าตนเองจะต้องพัดพรากจากสิ่งที่ตนเองผูกพันอยู่เนี่ยบุคคลทั้งสองประเภทเนี่ยจึงเป็นทุกข์ในปัจจุบันนียไม่ต่างกันแต่ในสารปรรายะภพแล้วคนดีถึงจะมีความทุกข์ก่อนจะตายแต่คนดีก็จะมีวิบากที่ดีประกอบกรรมชั่วนี้จะต้องไปสู่ที่ที่ลำบากเนี่ยเพราะฉะนั้น เรื่องความตายเป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่ตรงนี้เองไม่ใช่หมายถึงความตายเนี่ยคือความทรมานเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนเราเพราะความตายกับการนอนหลับมีอาการคล้ายคล้ายกันยังขณะที่เราจะนอนหลับเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเรารับเมื่อไรให้ท่านทั้งหลายลองฝึกกำหนดลมหายใจเข้าออกก่อนนอนทุกคืนดูก็ได้ว่า เวลาท่านกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกท่านหลับในขณะที่ท่านหายใจเข้าหรือหลับในขณะที่ท่านหายใจออกให้ท่านกำหนดดูว่าท่านจะกำหนดได้รู้หรือไม่ถ้าท่านสามารถรู้ว่าเราหลับตอนหายใจเข้าสมาธิของท่านนับว่าสูงมากหรือท่านสามารถจะรู้ได้ว่าเราหลับตอนเราหายใจออกเนี่ยขอให้ฝึกดู แต่เมื่อเราสู่ความหลับแล้วความหลับนี้จะทำให้เรานี้ลืมทุกอย่างทั้งหมดในโลกปัจจุบันไม่รับรู้อะไรทั้งหมดทางตาก็ไม่รู้ทางหูก็ไม่รู้ทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่รู้ทั้งนั้นในภาวะเช่นนั้นนะ่ะเหมือนกับเราตายแล้วบางทีคนเอามีดมาจอดที่คอเราก็ยังไม่รู้เขาจะฆ่าเราก็ยังไม่รู้ เรามีความทุกข์มีความผูกพันอยู่กับอะไรทั้งหมดเนี่ยพอหลับแล้วก็ปล่อยวางหมดนอนอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ผูกพันเลยวันนี้เป็นบ้านของเรานอนอยู่กบกกองสมบัติก็ไม่ได้คิดเลยวันนี้คือสมบัติของเราเพราะว่าบุคคลที่นอนหลับนั้นจะไม่มีความรู้สึกกับอารมณ์ในปัจจุบันนี้จิตในขณะนั้นอะตกลงสู่กระแสผวังฉะนั้นจิตที่ทำหน้าที่ตาย กับจิตที่ทำหน้าที่นอนหลับคือจิตดวงเดียวกันแต่ทำหน้าที่กันคนละอย่างในขณะที่นอนหลับก็ทำหน้าที่หลับคือตกกระแสผวังแต่ถึงคราวจะตายจิตดวงนี้เองทำหน้าที่ตายคือเคลื่อนย้ายจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งเคลื่อนย้ายจากโลกมนุษย์ไปอีกโลกหนึ่งตามคติของกรรมจิตดวงเดียวกันคือมหาวิบากจิตถ้าเป็นมนุษย์ก็มหาวิบากจิตจะทาหน้าที่อย่างนี้ ทีนี้มีปัญหาว่าในขณะที่คนนอนหลับสนิทเนี่ยนี่หมายถึงคนที่ไม่ได้ฝันเพราะคนนอนหลับแล้วจะไม่ฝันคนฝันคือคนที่นอนไม่หลับและคนฝันก็ไม่ใช่คนตื่นตื่นก็ไม่ใช่หลับก็ไม่ใช่แต่ประเภทครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยคือฝันเพราะนั้นความฝันนี่พระพุทธองค์จึงตรัสว่าไม่เป็นบุญและไม่เป็นบาปเป็นอภโรหาริกเราจะฝันเมื่อเราไปฆ่าคนตายก็ไม่บาป เพราะว่าเราไม่ได้เป็นฆ่าเป็นแต่เพียงความฝันเท่านั้นหรือถ้าเราฝันว่าเราไปประกอบกุศลก็ไม่ได้เป็นกุศลอะไรเพราะเป็นแต่ความฝันในขณะนั้นจึงถือว่าไม่ตื่นและไม่หลับคนตื่นก็ไม่ฝันคนหลับก็ไม่ฝันอย่างเวลาเราตื่นอย่างนี้เราจะฝันได้อย่างไรเราฝันไม่ได้เวลาหลับสนิทเราก็ไม่ฝันอีกฉะนั้นคนที่ฝันคือคนครึ่งหลับครึ่งตื่น เราเรียกว่าเป็นคนที่นอนฝันคนที่นอนหลับสนิทจิตไม่รู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้ก็จริงหรือวิญญาณจะไม่รับรู้อารมณ์ในปัจจุบันนี้เลยแต่วิญญาณ น, นั้นจะรู้อารมณ์ในอดีตอารมณ์ในชาติก่อนเช่นก่อนที่เราจะมาเกิดในชาติเนี้ยเราต้องตายจากชาติก่อนก่อนในขณะที่เราตายจากชาติก่อนมาเกิดในเป็นมนุษย์ในชาติปัจจุบันนี้จิตนั้นมีอารมณ์เช่น ใ, นใด จิตขณะที่หลับก็จะมีอารมณ์เช่นนั้นคือจิตตอนตายเมื่อชาติก่อนเนี่ยมีอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ของจิตขณะที่นอนหลับปัจจุบันจิตนี้ก็จะมีอารมณ์อย่างนั้นแต่เราไม่สามารถรู้ได้เพราะความรู้ให้รู้แต่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเราไม่ได้รู้ในอดีตเลยถ้าเราจะรู้ในอดีตเราต้องบาเพ็ญสมาธิถึงขั้นอภิน ญ, ญาจิต ต้องได้ปุเพนิวาสานุสติยานเราจึงจะรู้ในเรื่องของอดีตชาติแต่ปัจจุบันเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของความรู้แล้วจะต้องเป็นเรื่องปัจจุบันชาติทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะต้องเป็นเรื่องในปัจจุบันชาติอดีตชาติเราไม่รู้เลยว่าเราทําอะไรไว้บ้างเคยเกิดเป็นอะไรแล้ว ก, ก่อนจะตายนั้นเป็นอะไรตายแล้วเราจึงมาเกิดในโลกมนุษย์ปัจจุบันนี้ เเพราะฉะนั้นคนนอนหลับจึงมีภาวะเหมือนกันกับคนตายท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าขณะที่จิตย่างลงสู่ความหลับนั้นไม่ได้มีความทรมานทรมรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเราก็หมดความรู้สึกตัวไปแล้วข้อนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งฉันใดความตายก็ฉันนั้นเป็นภาวะอย่างนี้ช่วขณะจิตเดียวเท่านั้นก็คือตายแล้ว หมดความรู้สึกทุกอย่างในโลกปัจจุบันใครจะเอาร่างกายเราไปเผาไปฝังหรือไปผ่าไปสักเราจะไม่มีความรู้สึกเลยเพราะว่าร่างกายนี้เป็นสมบัติของโลกเป็นสมบัติที่มีอยู่ประจําโลกถึงคราวตายเราก็าเอาไปไม่ได้แล้วก็ต้องทอดทิ้งเอาไว้อยู่ในโลกนี้เท่านั้นเราจะไปได้ก็เฉพาะวิญญาณกับกรร ม, มัชรูปที่จะไปปฏิสนธิในภพใหม่เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเรื่องการนึกถึงความตายนี้เราจะนึกถึงอย่างไรจึงจะไม่เกิดความทุกข์เหมือนกับที่คนส่วนมากเป็นทุกข์กันอยู่ถึงเรื่องในความตายาบางคนพอพูดถึงความตายแล้วก็กลายเป็นคนเป็นทุกข์เกิดความท้อแท้เหนื่อยหน่ายต่อชีวิต เพราเห็นว่าเราจะตายแล้วไม่อยากได้อะไรทั้งหมดไม่อยากทำอะไรทั้งหมดมืออ่อนเท้าอ่อนแล้วผลสุดท้ายก็มีชีวิตอยู่เพื่อรอความตายการนึกถึงความตายในลักษณะเช่นนี้ไม่ถูกเป็นการนึกถึงความตายที่ผิดจากหลักพระพุทธศาสนามากเพราะว่าที่พระพุทธองค์สอนให้เรานึกถึงความตายนั้น ไม่ใช่หมายถึงให้เราเนี่ยเป็นคนท้อแท้อ่อนแอหรือเป็นคนที่ไม่ขมีขมันในการจะสร้างความเจริญอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมาคิดแต่ว่าสร้างไปทำไมในเมื่อเราจะต้องตายแล้วทุกอย่างเหล่านี้มันไม่ใช่ของเราจึงทำให้ผู้ที่นึกถึงความตายในลักษณะเช่นนี้เกิดความท้อแท้ใจแล้วก็ไม่อยากจะนึกถึงต่อไปการนึกถึงเช่นนี้เป็นการนึกถึงความตายที่เกิดโทษ แล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นเรื่องการนึกถึงความตายเนี่ยพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้เรานึกถึงความตายในทางที่ถูกในทางที่ถูกก็คือเมื่อนึกถึงความตายแล้วไม่ใช่เกิดความ้อแท้ใจแต่เราจะต้องเกิดความขมีขมันในการที่จะประกอบกิจต่างๆให้มากยิ่งขึ้นเพราะเมื่อนึกถึงความตายแล้วเราจะเห็นว่า เวลาของชีวิตที่จะอยู่ในโลกนี้มีน้อยเข้าทุกวันทุกวันแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีให้แก่ชีวิตเราน้อยอย่างนี้เราโมเกียรคร้านอยู่เราก็คงจะไม่ได้สร้างความดีอะไรให้เป็นอนุสรณ์ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบทำรีบประกอบกรบนิยกิจต่างๆที่เรายังทำไม่สาเร็จเนี่ยทาให้สาเร็จเสียก่อนตายมีอะไรค้างงอยู่ก็ต้องรีบทำเพราะว่าเวลาของชีวิตเนี่ยมีน้อย ท่านให้เรานึกถึงความตายในลักษณะเช่นนี้และเมื่อนึกถึงความตายแล้วเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงความจริงในชีวิตนี้ด้วยว่าความตายนั้นคือการเคลื่อนย้ายเคลื่อนย้ายจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งไม่ใช่เป็นของที่น่ากลัวอะไรแต่ว่าเป็นภาวะที่ทุกๆชีวิตเนี่ยจะต้องประสบกันอยู่ทั้งนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นไม่มีใครในโลกที่เกิดมาแล้วไม่ตายพระพุทธเจ้ายังตายเลย เพราะฉะนั้นทุกๆคนก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ปัญหามีว่าก่อนที่เราจะตายนั้นเราควรจะทำอะไรไว้บ้างในโลกปัจจุบันนี้ให้ท่านทั้งหลายประมวลดูถึงการเวลาที่ล่วงเลยไปเวลาเนี่ยมีให้ชีวิตเราน้อยเหลือเกินวันหนึ่งวันหนึ่งรวดเร็วมากปีหนึ่งก็เร็วมาก เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าประมวลถึงการเวลาที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปแล้วก็ทาให้สังขารของเราเนี่ยจะต้องร่วงโรยไปตามการเวลาแล้วเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เหมือนกับความฝันชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเองไม่นานเดียวเดียวเสร็จแล้วก็สูญหาจากโลกนี้ไปเสร็จแล้วดังที่เราได้เห็นเพื่อนเห็นญาติมิตรหลายๆคนว่าเขาไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้ว พบกันเพียงชั่วครู่บุคคลเหล่านี้ก็จากเราไปตามกันไม่พบไม่รู้ว่าไปเกิดกันที่ไหนแต่เราเองก็จะต้องเผชิญกับปัญหาชิ้นนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรานึกถึงการเวลาของความตายอย่างนี้จะต้องใช้เวลาที่ล่วงเลยไปทุกๆวันเนี่ยให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดว่าเราจะทําอะไรบ้างที่ จะเป็นความดีแล้วก็เป็นสมบัติติดตัวเราไปได้จะต้องนึกถึงในเรื่องนี้จริงอยู่ทุกคนเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องจะต้องสร้างความเจริญให้เก่โลกความเจริญของโลกนั้นเราจะต้องนึกถึงอยู่เสมอว่าเป็นความเจริญของตัวเราด้วยถ้าเราทำให้โลกเจริญตัวเราก็เจริญแต่ปัจจุบันเนี่ยส่วนมากแล้วเรามานึกถึง ความเจริญเฉพาะตัวเราเพราะฉะนั้นบุคคลที่คิดว่าความเจริญของเราคือความเจริญของโลกจึงเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหรนักในชีวิตปัจจุบันนี้แต่คนที่คิดว่าความเจริญของโลกคือความเจริญของเราคนคนนั้นนจจะได้ประโยชน์มากเพราะว่าตลอดชีวิตจะทุ่มเทเพื่อโลกมนุษย์ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่ผู้ที่คิดว่าความเจริญของเราคือความเจริญของโลกแล้วตลอดชีวิตจะทุ่มเทความเจริญเพื่อตัวเองแล้วคนประเภทนี้เมื่อตายจากโลกนี้ไปจะไม่ได้อะไรจากโลกนี้ไปเลยดังที่เราเห็นเห็นกันอยู่บางคนไม่ได้อะไรไปจริงๆเสียดายทาั้งๆที่โอกาสเวลาของบุคคลคนนี้เขาควรจะได้ประกอบความดีได้มากกว่านี้แต่เขาก็ตายจากไปเสียแล้ว โดยที่ได้ความดีไปนิดเดียวหรือไม่ได้อะไรเลยหรือบางคนทําแต่ความชั่วและก็ตายจากโลกนี้ไปเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เรานี้ได้พิจารณาถึงการเวลาที่เราได้ปลูกพันกันอยู่เพราะการเวลานั่นแหละคืออายุของเราหมดไปวันหนึ่งก็แสดงว่าอายุสั้นไปวันหนึ่ง หมดไปวันหนึ่งอายุสั้นไปวันหนึ่งคำว่าอายุมากน่ะความจริงเวลาที่อยู่ในโลกมนุษย์นี้น้อยลงถ้าท่านอายุเจ็ดสิบปีวันนี้ก็นึกว่าอีกห้าปีเท่านั้นแนีที่เวลาจะอยู่ในโลกมนุษย์หมดอายุขายแล้วถ้าจะอยู่เกินไปกว่านั้นก็เป็นเรื่องของกุศลที่เราทำมาแต่อดีตแต่ว่าที่เป็นทุนรอนในชีวิตของเราจริงๆเต็มที่นะ่ะเจ็ดสิบห้าปี คืออายุขายของมนุษย์จะอยู่ถึงหรือไม่ถึงเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าอันนั้นคืออายุที่เป็นสมบัติของมนุษย์ในโลกมีเพียงแค่75ปีฉะนั้นใน75ปีนี้เราทําอะไรไว้บ้างในโลกมนุษย์เป็นเรื่องที่เราต้องคิดอยู่เสมอๆเพราะว่าส่วนมากเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็มักจะขวนขวาย หาความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราเมื่อเรามัวแต่ไปผลขวายแต่จะหาความเจริญให้แก่ตัวเราอย่างนี้เพียงประการเดียวโดยไม่คํานึงถึงโลกส่วนใหญ่เราก็จะไม่ได้อะไรไปฉะนั้นคนที่ใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์นะคือมุ่งที่จะทําความเจริญให้เกิดขึ้นแก่โลกมนุษย์เมื่อทําความเจริญให้โลกมนุษย์มากขึ้นเท่าไรก็ได้ประโยชน์ในตัวเองมากขึ้นเท่านั้น เพราะว่าตัวเองก็จะได้ผู้สนไปด้วยตายจากโรคนี้ไปก็ยังได้คุณงามความดีติดตัวไปหลายๆอย่างฉะนั้นการนึกถึงความตายพระพุทธองค์จึงสอนให้เราใช้ความแยบคายในใจความแยบคายในที่นี้ก็คือให้ใช้โยนิโสมนัสิการว่าเราจะนึกถึง อย่างไรจึงจะเป็นการนึกถึงที่ถูกต้องที่สุดการนึกถึงความตายที่ถูกต้องนี้ถ้าหากว่าเราไปนึกถึงบุคคลคนใดคนหนึ่งผิดท่านก็บอกว่าจะไม่เกิดผลเช่นเราไปนึกถึงคนที่เรารักพ่อแม่ท้านึกถึงลูกที่รักมาก หรือว่าตัวเราจะไปนึกถึงพ่อถึงแม่ถึงใครก็ตามที่เรารักมากที่เราบูชามากถ้าเรานึกถึงบุคคลคนนี้คนที่เรารักมากเนี่ยเป็นอารมณ์อยู่เราจะเกิดความทุกข์ทันทีเพราะนึกถึงความตายนึกถึงคนที่เรารักว่าเขาตายไปเราก็เป็นทุกข์ทีนี้ถ้าหากว่าไปนึกถึงคนที่เกลียดที่เราเกลียดมากที่สุด พอเรารู้ข่าวว่าคนคนนี้ตายไปแล้วเราก็ดีใจเมื่อเกิดความดีใจขึ้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอีกดีใจว่าเออตายเสียกด็ดีไม่เกิดมรณนรู้สติอีกแล้วความสังเวชสลดใจก็ไม่เกิดอีกเพราะว่าเราดีใจว่าเขาตายไปซะแล้วทีนี้ถ้าไปนึกถึงคนที่เราไม่รู้จักไม่ใช่คนที่เรารักคนที่เราชังเราก็รู้สึกเฉยเฉย ไม่เกิดธรรมสังเวชขึ้นอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นจะนึกถึงอย่างไรจึงจะถูกหลักที่พระพุทธองค์ได้วางไว้และจะเป็นประโยชน์ต่อด้านสมาธิจิตทําให้เราเนี่ยสามารถทําจิตสงบได้นึกถึงความตายแล้วจิตต้องสงบทันทีเป็นสมาธิฉะนั้นท่านจึงวางหลักให้นึกถึงความตายไว้ทั้งหมดมีอยู่แปดวิธีด้วยกัน ในแปดวิธีนี้เป็นวิธีปฏิบัติสำหรับผู้ที่จเจริญมรณานุษสมอยู่เสมอและก็อาตมาอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติในข้อนี้ไว้ทุกๆคนที่อยากให้ปฏิบัติทุทกๆคนนั้นเพราะเหตุว่าอนุสติข้อนี้มีประโยชน์เหลือกเกินเพราะว่าความทุกข์อันใหญ่หลวงในชีวิตของเราปัจจุบันนี้ที่เราจะต้องพบกันอยู่เป็นประจำก็คือ ความทัดพลากจากสัตว์และบุคคลหรือจากทรัพย์สมบัติก่อให้เกิดความทุกข์อย่างมากในชีวิตของมนุษย์หรือบางทีเรามีบุคคลที่เรารัก mm hmm. เช่นพ่อแม่มีลูกพอลูกตายเข้าพ่อแม่แทบจะครองสติไว้ไม่อยู่บางคนเกือบจะวิกลจริตไปก็มีเพราะความเศร้าโศกเสียใจ แทบจะเอาชีวิตไม่รอดหรือบางท่านที่มีบุคคลที่เรารักก็จะเกิดความทุกข์อย่างมาก